เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหมือนสบีย์ที่จะที่จะต้องเอาไปใช้เวลาที่เราเดินทางกันบุญกุศลนี้เป็นสบียงของจิตใจที่ยังเดินทางอยู่จุดหมายปลายทางของจิตใจไม่เลี่ยอยู่ที่ความตายของร่างกาย เพราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจยังต้องเดินทางต่อไปจุดหมายปลายทางของจิตใจก็คือพระนิพพานอันนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทั้งหมดเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหมดนี้มีความปรารถนาเหมือนกันก็คือ มีความปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขมีความปรารถนาที่จะไม่มีความทุกข์และไม่มีอะไรในไตพุกในไตจักรวาลนี้ที่จะไม่มีความทุกข์มีที่เดียวเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ที่นั้นก็คือพระนิพพานดังนั้นพวกเราจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่พวกเรากําลังคงเป้าหมาย ของการเดินทางของพวกเราไปสู่พระนิพพานกันเพราะพวกเราอยากจะได้ความสุขอยากจะไม่มีความทุกข์ภายในใจไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะรู้ว่าพระนิพพานคือจุดหมายปลายทางของพวกเราตอนนี้อาจจะไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายัางไม่รู้ว่าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในวัฏฏะสงสารในไตรภพคือการมาพบรูปภพและอรูปภพแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่านอกเหนือจากไตรภพแล้ว ยังมีพระนิพพานเป็นที่อยู่ของจิตใจอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ดีที่สุดเพราะเป็นที่ไม่มีความทุกข์ในไตาน่าภพนี้ไม่มีภพไหนที่ไม่มีความทุกข์เพราะว่าทุกภพนั้นจะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปถึงแม้ว่าจะเป็นภพที่ละเอียดเช่น ในรูปภพอรูปภพที่เป็นที่อยู่ของพระพมทั้งหลายพระพมเหล่านี้ก็จะต้องมีวันเสื่อมวันตายเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าการเสื่อมการตายของท่านนี้ไม่ได้เสื่อมแบบมนุษย์ของมนุษย์นี้เสื่อมทั้งร่างกายและเสื่อมทั้งจิตใจแต่ของพรมนี้จะเสื่อมแต่เฉพาะ บุญกุศลที่ได้ทําไว้เมื่อบุญกุศลที่ได้ทําไว้เสื่อมลงไปก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วหลังจากนั้นเมื่อบุญกุศลของระดับชั้นเทพเสื่อมหมดไปก็จะกลับลงมาสู่สู่พุทของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นสร้างบุญสร้างกุศลกันใหม่สร้างเสบียงกันใหม่ ไปอย่างนี้ขึ้นขึ้นลงๆงอย่างนี้ไปจนกว่าจะได้นาพบกับพระพุทธศาสนาที่รู้จักวิธีที่จะทำให้เราสามารถเดินทางให้ไกลกว่ารูปภพอาลูปภพคือให้ไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของพรสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของพรหม ก็คือสวรรค์ของพระพุทธเจ้าสวรรค์ของพระอาหารหันตสาวกสวรรค์ของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี้จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเมื่อไปถึงแล้วก็ถือว่าการเดินทางได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเก็บรถได้แล้วไม่ต้องขับรถเดินทางอีกต่อไปตรากใดยังมีการเดินทางอยู่ ก็ต้องมีการแวะเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำเติมอาหารให้กับคนขับรถขณะนี้พวกเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของที่พวกเราต้องการจะไปคือเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานกันดังนั้นเราจึงต้องมาสะสมสะเสบียงกันต่อไป ถ้าเราไม่สะสมสะเสบียงแล้วเดี๋ยวเราจะไม่สามารถเดินทางไปสู่ที่สูงได้เราจะเดินทางลงที่ต่ำเพราะถนนที่เราขับนี้มันเป็นถนนที่ขึ้นเขาเวลาขึ้นเขานี้ถ้าไม่มีน้ํามันพอรถน้ามันหมดแทนที่จะวิ่งขึ้นเขามันก็จะวิ่งลงเขา ฉันใดบุญกุศลนี้จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนปรับดันจิตใจของพวกเราให้ไปสู่สุคติคือไปสู่ภพที่ดีคือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรและสวรรค์ของพระพุทธเจ้าต่อตามลำดับต่อไปถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเวลา บุญกุศลเก่าที่เรามีนั้นหมดไปเราก็จะไหลลงต่ำลงต่ำก็คือไหลลงไปสู่อบายที่ไม่มีใครอยากจะไปกันอบายนี่เหมือนคุกตารางของ<ม>ของจิตใจของผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาป ท, ทากรรมใน ในคุกตารางของอบายนี้ก็แบ่งไว้สี่แดนด้วยกันแดนเรียกแล้วว่าเดชะแดนที่สองเรียกว่าเปรตแดนที่สามเรียกว่าสุรกายและแดนที่สี่คือนรกเหมือนกับคุกตารางนี้เขาก็แบ่งเป็นแดนคนที่ทำโทษไม่มากก็อยู่ในในแดนหนึ่งคนที่หนักหน่อยก็แดนที่สองคนที่หนักมากก็แดนที่สาม คนที่หนักสุดๆก็คือแดนปาหานแดนที่สี่ชั้นใดอบายที่จะเป็นที่ลงโทษหรือขังจิตใจที่ทำบาปทำกรรมก็มีสีแดนด้วยกันคือเดรัจฉานเปลอสุลกายและนารกผู้ที่ทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป เช่นพวกสัตว์เดรัจฉานี้เขาไม่รู้ว่าเวลาเขารักขโมยอาหารของผู้อื่นเช่นสุนัขเวลาเราเผลอวางอาหารวางไว้ตรงไหนเขาก็มาคาบไปกินเพราะความหิวความอยากกินของเขาทําให้เขาต้องขโมยอาหารเขาไม่รู้ว่าการ ก, การขโมยแบบนี้มีโทษมีมีโทษตามมา ก็คือเขาจะต้องไปเป็นเดรัจฉานมนุษย์ที่รู้ผิดรู้ถูกแต่บางคนไม่รู้ผิดรู้ถูกก็จะไปทำบาปเพราะคิดว่าไม่มีผลอะไรตามมาเพราะว่าการทำบาปบางอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเช่นทำราชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายนี้ไม่ผิดกฎหมายเขาก็เลยคิดว่าไม่ผิด แต่มันผิดกฎของกรรมกฎแห่งกรรมนี้ผิดแล้วก็มีโทษก็คือจะต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเพราะการอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นเป็นอาหารเป็นอาชีพก็ไม่ต่างจากเดราาัจฉานเดราาัจฉานเขาก็อยู่แบบนั้นเขาต้องฆ่าผู้อื่นต้องกินผู้อื่นเพื่อที่จะยังชีพของเขามนุษย์ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เมื่อการยังชีพก็เช่นเดียวกันไม่ต่างจากเดรชาญแต่อย่างใดเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาตายไปใจเลยต้องไปเป็นเดรชาญเพราะเป็นเดรฉานตั้งแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพอยู่แล้วนี่คือที่ไปที่แดนหนึ่งของผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลมาเป็นผู้แต่ทําบาปทํากรรม เช่นข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมุทเทศโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนทเที่ยวดูโมหรสพบัตเทอร์เล่นการพนันคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดครา ง, งการกระทำบาปเหล่านี้จะนำไปสู่อบายถ้าทำบาปด้วยความโลภ คือพอมีพอกินแล้วไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้แต่อยากจะรวยอยากจะมีข้าวของสิ่งของเครื่องใช้ไม่สวยต่างๆเช่นอยากจะมีรถยนต์อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆอยากจะมีเพชรนินจินดาอยากจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตพิสดารสวยงามที่ต้องใช้เงินซื้อมากๆ เมื่อไม่สามารถทำมาหากินด้วยวิธีสุดจริตหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อของเหล่านี้ได้ก็จะใช้วิธีทุจริตก็คือการทำบาล ด, ด้วยวิธีต่างๆรักขโมยมากบ้างช่อโคลบ้างอย่างนี้หรือถึงกับฆ่าผู้อื่นบ้างเพื่อให้ได้เงินทองมาเพื่อที่จะได้ร่ำรวยจะได้ซื้ออะไรต่างๆใจปรารถนา ถ้าทำบาปแบบนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภใจก็จะเป็นเปรตไปทั้ง เ, เป็นในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ได้เปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นเปรตไปแล้วถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก็ต้องไม่ทำบาปไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกอันใด ไม่ทำบาปเพื่อยังชีพไม่ทำบาปเพื่อให้ร่ําให้รวยให้เป็นใหญ่ให้เป็นโตส่วนพวกที่สามที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าตนเองจะเดือดร้อนกลัวเองกลัวว่าตนเองจะตกทุกข์ได้ยากก็เลยไปทำบาปป้องกันเอาไว้ก่อนทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ทันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ความกลัว เช่นกลัวคนอื่นเขาจะมาฆ่าเราก็เลยไปจ้างคนอื่นให้ไปฆ่าเขาก่อนกลัวที่จะไม่มีเงินพอใช้ก็เลยต้องรีบก็ต้องไปไปทำบาปเพื่อหาเงินมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ยากจนอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าทำบาปด้วยความกลัวถ้าทำบาปด้วยความกลัวท่านบอกว่าต้องเป็นอสุ ร, รกาย อสัสรกายนี้บางท่านก็แปลว่าเป็นผีผีที่มีแต่ความผีหวาดกลัวแลกพวกที่สี่พวกที่ทำบาล ด, ด้วยความโกรธเกลียดเครีย ด, คยดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่รู้จักให้อภัยใครทําอะไรนี้จะต้องตอบตอบโต้ทันทีตาต่อตาฟันต่อฟันคือใครมาทําร้ายเราเราจะต้องไป ทำลายเขา ท, ทันทีเขาทำให้เราเดือดร้อนเราไม่ให้อภัยเราจะต้องล้างแค้นด้วยการฆ่าของอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทตรงนี้จะต้องไปอยู่ในแดนที่สี่คือแดนป่หานก็คือไปตกตะลบทุ่มต่างๆนะเช่นพวกที่ฆ่าวิดามารดาน ก็เป็นถือว่าเป็นการกระทําบาปที่ร้ายแรงที่สุดถ้าโทษก็คือโทษประหารเป็นต้นนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราอย่าทํากันด้วยการสร้างกุศลก็คือสร้างศีลขึ้นมาให้เราพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะปลอดภัย จากการที่จะต้องไปเกิดในอบายนอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องให้เราทำบุญกันให้มากๆทำบุญอย่างวันนี้ญาติโยมก็นำกับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมาบริจาคให้กับวัดให้กับพระภิกษุสามเณรที่ต้องอาศัยการให้ของญาติโยม ถ้าญาติโยมไม่นำกับข้าวกับปาอาหารเครื่องใช้มาไม้สอยต่างๆมาถวายให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรพระภิกษุก็จะไม่สามารถอยู่เป็นพระภิกษุได้ก็จะต้องลาสิกขาเพื่อออกไปทำมาหากินนั่นเองแต่ญาติโยมมีความเมตตามีความปรารถนาดีอยากให้พระภิกษุอยู่ เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจะได้บอกวิธีการไปถึงพระนิพพานให้แก่พวกญาติโยมที่มีความปรารถนาที่จะไปพระนิพพานกันนี่เรียกว่าเป็นการทำทานแบ่งปันจากคะเสียสละเรามีของที่เหลือกินเหลือใช้เราไม่ควรหวงเก็บเอาไว้ มีอะไรพอที่จะมาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตดทุกข์ได้ยากก็ควรที่จะทำเพราะเป็นบุญเป็นขุสลจะทำให้เราได้ไปสวรรค์กันนั่นเองนี่คือสวรรค์ที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทาบุญ ท, ทาทานทำความดีต่างๆไม่จำเป็นจะต้องทำบุญที่วัดทำบุญกับพ่อกับแม่ทำบุญกับ คนที่คนธรรมดาก็ได้คนไหนที่ก็ตกทุกข์กได้ยากเดือดร้อนทำบุญกับลูกจ้างของเราก็ได้ให้เงินเดือนเขามากๆหน่อยอย่าไปหวงแล้วเขาจะรักเราตายไปเราก็เอาเงินไปไม่ได้แต่ถ้าเขารักเราเขาจะคอยคุ้มครองดูแลเราถ้าเราไม่ให้เงินเดือนเขามาก เขาก็จะรักขโมยข้าวของที่อยู่ในในร้านที่เราทำนั่นแหละเวลาเผลอเขาก็จะรักทันทีแต่ถ้าเราให้เขาพอเพียงเขาไม่มีความจะเป็นที่จะต้องรักขโมยนอกจากนั้นเขายังจะรักเราเขาจะคอยเฝ้าดูแลรักษาข้าวของเงินทองของเราไม่ให้คนอื่นมารักมาขโมยไปการทำการ ท, า, ทาบุญทาทานนี้ จะทำให้มีมิตรไม่มีศัตรูท่านว่าผู้ที่มีจิตเมตตาทำบุญทำทานนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยศัตรูวุธจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครคิดทำร้ายเราเพราะเรามีแต่มิตรมีแต่เพื่อนเวลาอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุข สุขทั้งในขณะที่ตื่นและสุขทั้งในขณะที่หลับนะเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วถ้าตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือานิสงของการทำบุญให้ทานควบคู่กับการรักษาศีลถ้าทำบุญทำทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลทำบาปด้วยก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ ถ้าจะไปก็ไปได้เดียวเดียวเพราะบาปจะคอยดึงให้ไปใช้ผลบาปต่อไปบุญกับบาปนี้จะเป็นเหมือนมา้มาม้ที่จะมาลากเกวียนตัวหนึ่งก็จะลากไปทางทิศใต้อีกตัวหนึ่งก็จะลากไปทางทิศเหนือแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกาลังมากกว่ากันตัวที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทิศของตัวนั้น ท่านเช่นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปสวบายทั้งทั้งที่บุญก็ได้ทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าบุญที่ทำนี้มีกำลังน้อยกว่าก็เลยไม่สามารถดึงใจให้ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วมีบุญมากน้อยไปสวรรค์ได้ทันทีเลยเพราะไม่มีบาปคอยดึงให้ไปอาบายนั่นเองอย่างนั้นถ้าตายไปอยากจะไปสวรรค์ก็ รักษาศีหน้าไว้อย่าทำบาปแล้วพยายามทาบุญไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าตายไปจะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพอย่างแน่นอนแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องฝึกทำใจให้สงบต้องเจริญสติพุทโธพุทโธแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบรวมเป็น เป็นฌานก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมคือสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพระอราหันต์ซึ่งเป็นสวรรค์ที่ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปก็ต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจาก การฟังเทศฟังธรรมนี้มากำจัดความโลภความโกรธความหลงมากำจัดความอยากต่างๆเพราะความโลภความโกรธความหลงแม้ความอยากต่างๆนี่แหลที่เป็นตัวที่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะเข้าใจว่าการทำตามความโลภความโกรธความหลง ทำตามความอย่างนี้ไม่ดีจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องกลับมาเรียนว่าตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเรียนว่าตายเกิดเราก็ต้องฝืนความโลภเวลาอยากได้อะไรถามตัวเองก่อนว่าจาเป็นไหมถ้าไม่จาเป็นถ้าไม่ตายก็ไม่ก็ถือว่าไม่จาเป็นเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ตอนนี้กระเป๋าก็มีอยู่หลายใบแล้ว แต่เห็นใบใหม่มันสวยเลวเกิดอยากจะได้ถ้าซื้อถ้าซื้อมาก็ถือว่าทำตามความโลภแล้วความโลภนี้ก็จะพาให้เราไปหาซื้อกระเป๋าใบใหม่ต่อไปซื้อไปเรื่อยๆพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาซื้อกระเป๋าใบใหม่อีกอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดซื้อกระเป๋าก็หยุดซื้อกระเป๋า ถ้าไม่อยากจะกลับมาซื้อรองเท้าก็ให้หยุดซื้อรองเท้าถ้าซื้อด้วยความจำเป็นไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นกระเป๋ามีใบเดียวแล้วมันหายไปจำเป็นจะต้องมีกระเป๋าใบใหม่อย่างนี้ไปซื้อมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภถ้าซื้ออะไรด้วยเหตุด้วยผลนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ซื้อเพราะความอยากเห็นว่าสวย ทั้งๆ ท, ที่มีอยู่หลายใบยแล้วยังอยากจะได้ถ้าซื้อแบบนี้จะต้องซื้อไปเรื่อยๆแล้วจะต้องกลับมาเกิดมาซื้อมันใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็นคนก็เหมือนกันชอบคนนี้ก็เอาเขามาเป็นแฟนแล้วเดี๋ยวพอเบื่อก็ทิ้งเขาเห็นคนใหม่ก็เปลี่ยนแฟนใหม่อย่างนี้ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือธรรมะที่พระเจ้าทรงตัดสรุสทรงค้นพบว่าเหตุที่ทำให้พวกเราต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เพราะความอยากได้สิ่งต่ตางๆนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็ให้ฝืนความโลภฝืนความอยากวิธีที่จะฝืนถ้าเรามีใจที่สงบในสมาธินี้เราจะฝืนได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าได้เราต้องไปที่สวรรค์ชั้นพรมก่อนสวรรค์ชั้นพรมก็คือทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบก็จะอยู่สวรรค์ชั้นพรมจากชั้นพรมขึ้นสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้านี้ก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีความสงบเช่นอยู่สวรรค์ชั้นเทพนี้ขึ้นไปไม่ไหวพวกที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้นี้ จะไม่มีกำลังที่จะตัดความอยากต่างๆได้จะต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจสงบแล้วใจมีความสุขในตัวเองก็จะหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของการสะสมสะเสบียงต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสะสมกันก็คือทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิทำใจให้สงบ ฟังเทกฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญามาหยุดความอยากต่างๆพอเราหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วเราก็จะถึงพระนิพพานเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือเรื่องของการเดินทางของพวกเราที่ยังกำลังเดินทางกันอยู่ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่านี่เป็นความจริง การเดินทางของเราในชีวิตนี้ไม่ได้ิ้นสุดที่ความตายของร่างกายเพราะร่างกายตายไปแล้วความอยากในใจถ้ายังมีอยู่ก็ยังจะต้องไปต่อถ้าหมดความอยากแล้วก็ถือว่าได้ถึงบ้านของเราแล้วก็คือถึงภาพนิพพานแล้วนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้